เสียงานหนังสืออิทธิปาติหารเทวดาทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัยธรรมนิพนธ์ในสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่15มีนาคมพุทธศักราช2555สาสำหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงมาจากบทหนึ่งของหนังสือพุทธธรรมนะครับโดยเพิ่มภาคผนวกประเด็นเสริม เพื่อความเข้าใจในเรื่องอำนาจดลบา ด, ดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิเทพเจ้าผีสางเทวดาคือเรื่องเหนือวิสัยของคนทั่วไปจะรู้เห็นได้ว่ามีจริงหรือไม่ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาโดยแบ่งเป็นห้าหมวดหลักคือเรื่องอิทธิปฏิหารเรื่องเทวดาวิธีปฏิบัติต่อสิ่งเหนือสามัญวิสัยบันทึกพิเศษท้ายบทและภาคผนวกประเด็นเสริม สำหรับเสียงอ่านทุกเรื่องนั้นโปรดใช้เป็นการฟังเพื่อจับภาพรวมหรือทบทวนหากต้องการนำไปอ้างยิงควรตรวจสอบกับต้นฉบับของทางวัดหรือองค์กรนั้นๆอีกครั้งนะครับเพราะอาจมีการพิมพ์ผิดออกเสียงผิดอ่านผิดหรือมีการปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับให้ถูกต้องยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาได้นะครับเสียงอ่านหนังสือชุดนี้มีเจ้าภาพหลายท่านร่วมจัดทาเผยแพร่เป็นธรรมทาน จะบันทึกเสียงไว้ให้ได้ร่วมอนุโมทนาในแต่ละหมวดต้นเรื่องกับท้ายเรื่องขออนุโมทนาทุกท่านและท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับขอผลบุญ น, นี้ส่งให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในทางที่เป็นกุศลรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ในเร็ววันนี้สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอริยะคุณชมรมผลดี มิถุนายนพุทธศักราช2564หมวดที่หนึ่งเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ร่วมจัดทำรรโดยจินตนาอามรวิทยกิจเวชาเปรมจิต ร, รัตนาสาลีเจริญพรเยี่ยมวงศรีและอีกหลายท่านดังรายชื่อในแต่ละหมวดหลักขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันนะครับ ถ้าถามว่าในทัศนคของพระพุทธศาสนาอิทธิปาฏิหารก็ดีเทวดาวหรือเทพเจ้าต่างๆก็ดีมีจริงหรือไม่และถ้าตอบตามหลักฐานในคำพีมีพระไตรปิฎกเป็นต้นด้วยถือตามตัวอักษรก็ต้องว่ามีหลักฐานที่จะยืนยันคำตอบนี้มีอยู่มากมายทั่วไปในคำภีจนไมจจำเป็นจะต้องยกมาอ้างอิงอย่างไรก็ตามปัญหาเกี่ยวกับความมีหรือไม่มี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 และทั้งจากความเชื่อถืองม ง, งายในสิ่งเหล่านั้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามนุษย์จำนวนมากมายตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันมีความเชื่อถือหรือไม่ก็หว่นเกรงต่ออำนาจผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารต่างๆพระพุทธศาสนากล้าท้าให้สิ่งเหล่านั้นมีจริงเป็นจริงโดยประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์ท่ามกลางความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้น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 แยกออกได้เป็นเหตุผลสองข้อใหญ่ประการแรกเรื่องเหนือสามัญวิสัยเหล่านี้ทั้งเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารก็ดีเทพไท้ายเทวาก็ดีจัดเข้าในประเภทสิ่งลึกลับที่พูดอย่างรวบรัดตามความหมายแบบชาวบ้านว่าพิสูจน์ไม่ได้คือเอาแสดงมาให้เห็นจริงจนต้องยอมรับโดยเด็ดขาดไม่ได้ทั้งในทางบวกและในทางลบหมายความว่า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 ก็ไม่สามารถแสดงให้คนอื่นเห็นจริงอย่างนั้นด้วยยิ่งกว่านั้นในสภาพที่พิสูจน์อย่างสามัญไม่ได้นี้สิ่งเหล่านี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเป็นของปลุกๆลุกโผ ล, ล, ลหรือลับๆร ล, ล่อๆหมายความว่าบางทีมีเขาให้ตื่นใจว่าคราวนี้ต้องจริงแต่พอจะจับให้มั่นก็ไม่ยอมให้สมใจจริงครั้นทาบางอย่างได้สมจริง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 แต่ละพวกละฝ่ายต่างก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นไปตามความเชื่อและไม่เชื่อของตนไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขาการปฏิบัติตา่างๆที่เกิดโทษก่อผลเสียแก่ชีวิตและสังคมเราะต้องรอให้พิสูจน์เสร็จก่อนจึงจะยุติการปฏิบัติให้ลงเป็นอันเดียวกันได้ซึ่งก็ยังพิสูจน์กันไม่เสร็จจนบาดนี้จึงเป็นอันต้องยอมรับผลเสียกันอย่างนี้เรื่อยไปไม่เห็นที่สิ้นสุด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 เห็นว่าความเชื่อในสิ่งเหล่านี้เป็นของเลวไห ล, หลงมงายเมื่อเขาจับหลักในเรื่องนี้ไม่ถูกและหาทางออกให้แก่ประชาชนไม่ได้แต่ต้องการทำให้ประชาชนปฏิบัติตามลักที่นิยมคือความเชื่อของเขาก็ต้องใช้วิธีบังคับให้ประชาชนเลิกปฏิบัติตามความเชื่อของประชาชนหรือปลุกเร้าป้อนความเชื่อในทางตรงข้าม คือความเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีจริงแก่ประชาชนหรือทำทั้งสองอย่างแต่วิธีการปิดกั้นบังคับหรือปลุกเร้านี้เป็นการทิ้งช่องว่างอันกว้างใหญ่ไว้เพราะมีใช่เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุคือไม่ได้ชำระสัตว์ผู้ยังไม่ข้ามพ้นความสงสัยเพียงแต่เก็บซ่อนเอาเชื้อและแรงกดดันอัดไว้ตราบใดอำนาจบังคับ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 หลักการในทางปฏิบัติหรือความเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัตินี่แหละที่เป็นคุณพิเศษของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธศาสนาได้ริเริ่มขึ้นใหม่อันทําให้ต่างจากศาสนาปรัชญาทั้งหลายอื่นตลอดจนละที่นิยมอุดมการณ์ทั้งหลายแม้ในสมัยปัจจุบันหลักการเฉพาะในกรณีนี้คือสําหรับสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์และไม่ใช่ธรรมะสําหรับเข้าถึง ให้ใช้การวางท่า MM ทีหรือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหลักข้อนี้ irony, รวมอยู่ในแกนวินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม ซ, ซึ่งเป็นอีกบทหนึ่งต่างหากในหนังสือพุทธธรรมฉบับสมบูรณ์เมื่อคนทั้งหลายปฏิบัติ laude, ตามหลักการที่พระพุทธศาสนาแนะนำไว้แล้วอย่างนี้ถ้ายังมีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด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 แต่การปฏิบัติตามหลักการและการเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาย่อมเป็นไปได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือสามัญวิสัยทั้งสองประเภทนั้นแต่ประการใดเลยสำหรับเรื่องอิทธิปาิหารพึงอ้างพุทธพจน์ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่านี่เน่สุนขัขเธอเข้าใจว่ายอย่างไร เมื่อเราทำอิทธิปาิหารซึ่งเป็นธรรมะของมนุษย์ยิ่งยวดก็ตามไม่ทำก็ตามธรรมะที่เราได้แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใดจะนำออกไปเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นคือความหมดสิ้นทุกโดยชอบได้หรือไม่สุนัขขัดทูลตอบว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ทรงกระทำอิทธิปาฏิหารที่เป็นธรรมะของมนุษย์ยิ่งยวดก็ตามไม่กระทำก็ตาม ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงสแสดงเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใดใก็ย่อมจะนำออกไปเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นคือความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่านินแหนดุนันขัดเธอเข้าใจว่ายอย่างไรเมื่อเราบัญญัติสิ่งที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของโลกก็ตามไม่บัญญัติก็ตามธรรมะที่เราได้แสดงไว้แล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใดจะนำออกไปเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้น คือความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบได้หรือไม่ทูลตอบว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ทรงบัญญัติสิ่งที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของโลกก็ตามไม่บัญญัติก็ตามธรรมะที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใดก็ย่อมจะนำออกไปเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นคือความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบได้ข้อความจากระไตปิฎก เล่มที่11อพึงเทียบกับพุทธพจน์ ท, ที่แสดงสิ่งที่ทรงพยากรณ์และไม่ทรงพยากรณ์ในพระไตรปิฎกเล่มที่13สาส่วนเรื่องเท พ, พเจ้าจะได้พิจารณาเหตุผลเป็นแง่ๆต่อไปเฉพาะในเบื้องต้นนี้พึงพิจารณาพุทธภาษิตว่าการถือไม่กินปลาไม่กินเนื้อก็ดีการประพฤติเป็นชีพเปลือยก็ดีความมีศีรษะล้นก็ดี การมุ่นมวยผมเป็นชดาก็ดีการอยู่คลุกฝุ่นก็ดีการนุ่งห่มหนังสืออันหยาบกร้านก็ดีการบูชาไฟก็ดีการบำเพ็ญพฤษมาจะเป็นเทวดาก็ดีการบำเพ็ญตบะต่างต่างมากมายในโลกก็ดีประเวทก็ดีการบวงสวงสังวยก็ดีการบูชายันก็ดีการจำรสตามฤดูก็ดีจะชำราสัตว์ผู้ยังข่าไม่พ้นความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้ ข้อหาไม่ข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่25คําคำว่าการบําเพ็ญพรตหมายจะเป็นเทวดานั้นแปลาตามสุตตานิปาตะอัตกถาปรมัตโชติการูปศัพ์เป็นอมราถ้าแปลาตามรูปศัพ์ก็ได้ความเพียงว่าเทวดาทั้งหลายก็ดี